วันรุ่งขึ้นเมื่ออรุณขึ้นแล้วทําการปฏิบัติส리 ร, ระเดินติดตามพวกพ่อค้าไปอีกในเวลาอาหารเช้าพวกพ่อค้ารับบาดของกุลบุตรแล้วก็ใสาขาทนิยะโภชนิยะลงในบาดถวายขาชนิยะและโภชนิยะนั้นเป็นข้าวสารดิบบ้างเศร้ามองบ้างก็ผู้ชายหงคข้านะ่าจะไปคิดอะไรมากมายนะหงงไปสุกบ้างไม่สุกบ้างนี่แหละแข็งเสมอกับก้อนกรวดบ้างนะเจอบ้างแล้วก็เค็มจัดบ้างนะ วันไหนนึกเค็มก็เค็มจี๊ดเลยนะวันไหนนึกเปรี้ยวก็เปรียปร้ยวมากบางบางวันก็ไม่สุกบางวันก็แฉะอย่างไงนะมันกลัวบทพิจารณาสถานที่พักบริโภคขาชนิยะและโพชนิยะนั้นดุดอมฤตโดยทำนองนั้นเดินทางสิ้น200รยโยต์ต่ำกว่า8ก็คือ192่ยเกโยต์นันนะก็โอ้เป็นพันกิโลนั่นเนี่ยไม่ไม่ได้ใกล้ๆเลยเป็นพันๆกิโลนะ ป, น 1, 000, 000ลนะปากีสถานมา มาราชชครือราชครือเน้นนับว่าอยู่ตอนใต้ของประเทศแล้วนะจากปากีสถานมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใกล้นะเดินทางเท้าเปล่าไกลมากแม้จะเดินไปใกล้ซุ้มประตูพระเชตวันก็ตามก็ไม่ถามว่าพระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอันที่จริงเดินมาจากทางโน้นมาก็ต้องผ่านเมืองสาวัตถีก่อนนะเพราะว่าเมืองราชครือเนี่ยอยู่ตอนทางตอนใต้ไปอีก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 จากจากเมืองสาวัตถีเนี่ยนะไปเมืองราชครึกอีก45โยน์ซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์เนี่ยนะรับนิมนต์จากอนนทบินทิกะเนี่ยพระองค์เดินทางเนี่ยสีวันก็พักคืนละโยคืนละอ่าโยละคืนโยละคืนเนี่ยนะพักไปแต่ว่าท่านก็เดินทางไปในเวลาพระอาทิตย์ตกกุรบุตรนั้นก็ไปถึงพระนครราชครึกนะคำวันนี้ก็คือเดินทางอนนะนะค่ำไหนก็นอนนั่นไปเรื่อยอย่างไงถามว่า น, นะพอไปถึงเมืองราชครึกก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไหน น, นะชาวบ้านก็เลยถามว่าพวกท่านเนี่ยมาจากที่ไหนขอรับว่างั้นบอกมาจากอุตรประเทศมาจากตอนเหนืออุตระระแปลว่าตอนเหนือนะหรือตอนบน น, นะพระนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในทางที่ท่านมาไกลจากพระนครราชครึกนี้ประมาณ45โยชน์พระศาสดาประทับอยู่ณกรุงสาวัตถินั้น นะเขบอกโอ้ยเดินเลยไม่ตั้งสี่สโยต์นะนะไม่ใช่เลยใกล้ๆนั้นเลยไกลมากเลยนะกุลบทนั้นก็คิดว่าบัตรนี้ไม่ใช่การเพราะค่ําพอดีนะเราไม่อาจกลับในวันนี้พักอยู่ในที่นี้ก่อนพรุ่งนี้จะไปสู่สํานักพระศาสดาแปลงนะไม่คิดถึงพระเจ้าปิมพิสารแม้แต่นิดเดียวเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่นั้นก็ถามว่าถามว่าเหล่าบรรพชิตที่มาถึงในายามวิกาณฑนะที่จะพักที่ไหน ปกตินะที่ใครมาถึงในกลางคืนเนี่ยเขาจะพักที่ไหนบอกว่าพักณนศะาลานายช่างหม้อช่างหม้อท่านปั้นลําดับนั้นกุลบุตรนั้นก็ขอพักกับนายช่างหม้อนั้นแล้วก็เข้าไปนั่งเพื่อประโยชน์แก่การพักอาศัยในศาลาของนายช่างหม้อนั้นในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นกุลบุตรชื่อว่าปกกุศลสติก็พระองคแผ่ขายพยามใช่ไหม ด้วยอาสยานุสยายานอินทรยะปรโปรปริยตยานก็ส่องดูก็เห็นปุกุตสาตินี่ปรากฏขึ้นก็ดำริว่ากุลบุตรนี้อ่านเพียงสารที่พระสหายส่งไปละราชสมบัติใหญ่เดินทางเกินร้อยยอดบวชอุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงเราเดินทางสิ้น192โยเดถึงเมืองราชครึกก็เมื่อเราไม่ไปจักไม่แทงตลอดสามัญญผลสามจักทากาลกิริยาไรที่พึ่ง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 แต่ครั้นเมื่อเราไปแล้วจักแทงตลอดสามมัญญผลสาคือเป็นพระนาคามีก็เราบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายสิ้นสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับก็เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ชนเท่านั้นบำเพ็ญบารมีก็เพื่อประสงค์จะให้เขาได้บรรลุมรรคผลนะนะเราจากทำการสงเคราะห์แก่กุลบุตรปุ ก, กุศาตินั้นถ้าไปก็เขาจะได้มรรคผลก็เลยเสด็จไป ดังนี้ก็ทําการปฏิบัติพระศรีระแต่เช้าตรูมีพระภิสุสง์แวดล้อมเสด็จไปบินทบาทในกรุงราชครื่อายหลังพระเสด็จกลับจากบินทบาทเสด็จเข้าพระคันทกุตีทรงระงับความลําบากในการเดินทางครู่หนึ่งทรงพระดำริว่ากุลบุตรได้ทํากิจที่ทําได้ยากเพราะความเคารพในเราและราชสมบัติเกิน100่งร้อยยไม่ถือเศษผ้าโดยที่สุดแม้คนผู้ให้น้ําบ้วนปากออกไปเพียงคนเดียวดังนี้ ก็ไม่ตรัสอะไรในพระเถระทั้งหลายมีภาษาริบุตรและพระโมคคลานะเป็นต้นพระองค์เองเนี่ยเสด็จถือบาและจีวรของพระองค์เนี่ยเสด็จออกไปเพียงพระองค์เดียวและเมื่อไปก็ไม่ได้ทรงเหาะไปไม่ได้ทรงย่นแผ่นดินทรงดำริอีกว่า <c oughs> กุลบุตรละอายต่อเราไม่นั่งแม้ในยานหนึ่งในบรรดายานช้างยานมา้ารถวอทองเป็นต้นโดยที่สุดไม่สวมรองเท้าแม้กระทั่งรองเท้าชั้นเดียว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 ดูดพระจันทร์เพนที่เมฆหมอกปิดไว้ฉะนั้นโดยปัดฉาพัดเดียวเท่านั้นก็เสด็จไปได้45โยต์นนะก็ออกตั้งกับสายๆนิดหนึ่งนะก็ไปถึงเมืองราชคลึกเย็นพอดีเลย45โยต์ก็ร้อยกว่ากิโลนะไม่ใช่ร้อยกิโลเลยหลายร้อยกิโลเลยแหละ600กว่ากิโลนะก็ 6-700 นะก็เชียงรายกรุงเทพมั้งนะ ก็เสด็จถึงศาลาของนายช่างหม้อนั้นน่ะในขณะที่กุลบุตรเข้าไปแล้วนั่นแหละท่านหมายถึงศาลาของนายช่างหม้อนั้นจึงกล่าวโดยว่าก็โดยสมัยนั่นแหลกุลบุตรเชื่อว่าปกุติมีศรัทธาออกจากเรือนเบวชเป็นบนรรพชิตอุทิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปพักในนิเวศของนายช่างหม้อนั้นก่อนก็พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่สงคมขู่ว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เข้าไปยัง เ, เสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อประทับยืนที่ประตูนั่นแลเมื่อจะให้กุลบุตรนั้นทําโอกาสเนี่ยนะซึ่งกุลบุตรก็ได้ทําโอกาสว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่เป็นสุขตามอิริยาบทที่มีความผาสุกเธิเนี่ยนะก็คือเข้าไปขอพักกันนะปกุศติก็อนุญาตว่าตรงไหนผาสุกก็เชิญเธอราะงัง้นก็กุลบุตรละราชสมบัติเกิน100ยโยต์แล้วบวช จัตตณีสาลาของนายช่างหม้อที่คนอื่นทอดทิ้งเพื่อพรหมจารีอื่นหรือนะก็คือเรียกว่าแผ่นดินทั้งหมดยังสะละได้นะไก่แค่กระถ่มหลังเดียวเนี่ยมาพักอยู่ด้วยกันทํำไมจะสะละไม่ได้ทีนี้ก็เปรียบ ว, ว่าโมฆะบุรุษบางพวกที่บวชมาในศาสนานี้นะพวกคนเปล่านะก็คือไม่มีคุณธรรมอยู่ภายในเนี่ยถูกความตัตตณีทั้งหลายครอบงามีความจัตตณีอาวาสเป็นต้นก็ย่อมตะเกียกตะกายเพราะอาวาสของบุคคลเหล่าอื่น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 บทว่า น, นิสีทีความว่าพระโล ก, กนาตทรงสุขุมารชาติอย่างยิ่งทรงละพระคันทูกุตีเป็นเช่นกับเทพวิมานทรงปูราสันทัน์คือย่าในศาลาของช่างหม้อที่มีขี้เถ้าเรียราดไปทั่วอนนศาลาช่างหม้อก็รู้แล้วใช่ไหมขี้เถ้าก็มีแต่ขี้เถ้าฟางอะ่ะที่เขาเอามาเผาเผาหม้อนะก็เคยไปที่โรงงานช่างหม้อทั้งหลายเนี่ยก็จะมีขี้เถ้านะมีขี้เถ้ามีขี้แกลบขี้รำทั้งหลายก็ไว้เผาเผาหม้อนะ กูสันทัศน์คือหญ้าในสาราช่างหม้อมีขี้เถ่าเรียราดไปทั่วสกรปรกด้วยภาชนะแตกหญ้าแห้งขี้ไก่และขี้สุกรเป็นต้นนะนะโอ้ไก่สุกรอินเดียไม่ต้องแปลกใจไปได้ทั่วไปหมดเป็นเช่นกับที่ทิ้งขยะพระองค์ก็ทรงปูปังสุกุลจีวรประทับนั่งดุจเสด็จเข้าสู่พระมหาคันทกุตีที่มีกลิ่นทิพย์เช่นกับวิมานอันประดับออแล้วประทับนั่งฉะนั้นด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติใน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 ทั้งสองก็มีลาบคือมีสมาบัตทั้งคู่เสด็จเข้าสู่ศาลาของช่างม่อแล้วก็ประทับนั่งด้วยประการชนิดด้วยเหตุนั้นศาลาช่างม่อจึงงดงามอย่างยิ่งพึงนำสถานที่ทั้งหลายเป็นต้นว่าถ้าที่พญาสัตว์ทั้งสองมีสีหะเป็นต้นเข้าไปเปรียบเทียบเถิดก็บอกว่าเหมือนกับถ้าที่เสืออยู่2ตัวเนี่ยนะเหมือนถ้าทองที่มีช้างอยู่สองตัวเป็นต้ น, นนะก็เปรียบลักษณะนี้ ก็บุคคลทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงยังแม้พระหารุไทยให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้สุขุมารชาตเดินทางมาสิ้น45้โยศแม้โดยเวลาหลังพัดเดียวควรสำเร็จศีหาสยญาสักครู่ก่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทางพระองคไม่ทำอย่างนั้นใช่เสด็จเข้าพระสมาบัติตาของเราก็ขอบเอกเนกจักร น, นะนะให้หายเมื่อยน ะ, ะองไม่ใช่นะฟองนั่งเข้าพระสมาบัติ ฝายกุลบุตรก็ไม่ยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราเดินทางมาสิ้น192ยาิโย์ควรพักบรรเทาความเหนื่อยในการเดินทางสักครู่ก่อนก็นั่งเข้าอานาปานะจตุทชา น, นั่นแลพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่หปุกุสติก็เข้าจตุทชานมีลมหายใจเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ท่านหมายถึงการเข้าสมาบัติ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 ส่วนอาจารย์บางพวกก็บอกว่าโอหเมืองราชครื่อนี่เสียงดังอึกทึกคึกโครมไปหมดบอกอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์รอกเพราะพระพุทธเจ้ายังไงก็ทําให้เสียงนี่เงียบได้แต่ที่พระ อ, องค์ต้องรอนี่เพราะว่ารอให้ร่างกายนี้ระ ง, งับจากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะประมาณสองยาม2ยามครึ่งก็คือประมาณเที่ยงคืนไปแล้วหลังเที่ยงคืนเนี่ยพระผู้มีพระภาคเสร็จออกจากพระสมบัติ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 โดยประการใดก็ย่อมเป็นไปโดยประการนั้นในบรรดาอิริยาบถ ท, ทั้ง4ี่เนี่ยนะอิริยาบถสอย่างไม่งามเช่นเดินเนี่ยนะพิสูจเดินไปมือทั้งหลายย่อมแกว่งเท้าทั้งหลายก็ย่อมเคลื่อนไปศีรษะย่อมสัน่นอันนั้นก็แสดงว่ายอะเดินก็ไม่งามกายของพิสูุผู้ยืนย่อมแข็งกระด้างอิริยาบถแม้ของพิสูุผู้นอนก็ไม่น่าพอใจแต่เมื่อ ภิกษุ ป, ปัดกวาดที่พักกลางวันในปัจชามพัดปูแผ่นหนังมีมือและเท้าชำระล้างดีแล้วนั่งคัสมาที่อันประกอบด้วยสมทิสี 4, นั่นเทียวอิริยาบดย่อมงามมันก็ถ้านั่งแบบนั่งคัสมาทเนี่ยนะก็งามมางนกันก็กุลบุตรนี้นั่งคัสมาธินั่งเข้าอานาปานะจตุทชาญก็มีเข้าฌานสี่มีลมหายใจเป็นอารมณ์กุลบุตรประกอบด้วยอิริยาบดด้วยประการชนี้แล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 เมื่อถ้อยคำไม่ตั้งขึ้นแล้วการแสดงธรรมก็ย่อมไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ถามก่อนเพื่อให้ถ้อยคำเนี่ยตั้งขึ้นบทว่าทิสวะปาหังนะชาเนยังความว่าชนทั้งหมดย่อมรู้พระตถ า, าคตผู้รุ่งโรดด้วยพุทธสิรินี้ว่าพระพุทธเจ้าการรู้นั้นไม่น่าอัศจรรย์นนะคือถ้ามาแบบเปล่งรัศมีเป็นต้นนะนะที่ไม่รู้อ่ะนะหรือการรู้แบบนั้นก็ไม่น่าอัศจรรย์อะไร แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกปิดพระพุทธรัศมีเสด็จไปด้วยอำนาจของพิสูจ์ผู้ถือบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งจึงรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นกุลบุตรปุ ก, กุศลติก็กล่าวตามความเป็นจริงว่าเราไม่รู้ด้วยประการชนีดคือถึงเห็นก็ไม่รู้ะนะว่าเห็นแล้วเป็นยังไงก็ไม่ทราบว่างั้นเป็นความจริงอย่างนั้นท่านปุ ก, กุศลติไม่รู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้กระทั่งประทับนั่งณศาล า, าช่างหมอ่อก็จะรู้ได้ยังไงนะเพราะว่า พระองค์ไม่ได้มาแบบเรียกว่าไม่ได้มาแบบพระพุทธเจ้านะก็มาแบบพระภิสูรรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้บทว่าเอตะทะัทธโหสิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางสงบประงับแล้วจึงทรงมีพระดรําริบทว่าเอวะมาวุโสความว่ากุลบุตรได้อ่านสักว่าสารที่พระสหายส่งไปสละราชาสมบัติออกบวท ด, ด้วยคิดว่าเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะของพระทศพล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 อุปมาเหมือนอย่างว่ากลุ่มบทนี้เป็นเหมือนนักเลงสุราที่กระหายบอกท่านนักเลงเล่าเนี่ยนะหมถ้าจะเจอกันเนี่ยโอถ้าใครรินให้เอามาเ ห, เหมือนช้างที่ตกมันฉะนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มบเมื่อปฏิญาณถึงการฟังโดยความเคารพจึงกล่าวว่าอย่างนั้นอาวุโสเอวีวามาวุโสเนี่ยแปลว่าอย่างนั้นแหละอาวุโสแล้นก็พระองค์ก็จะแสดงธรรมส่วนแสดงว่ายังไงก็แสดงพรุ่งนี้เนาะวันนี้เลยยังไม่ได้แสดงธรรมเลยนะเล่าเรื่องราวเฉยๆหมดเวลาแต่ละ